เสาหลักกรรมฐานตั้งวัดป่าบ้านตาดด้วยเหตุที่โยมมันดาล้มป่วยด้วยโรคอัมพาตท่านจึงพากลับมารักษาตัวที่บ้านตาด หมอที่รักษาโรคอัมพาตใช้อ้อยดำผสมในสูตรยาด้วยท่านจึงหาอ้อยดำมาปลูกไว้ข้างๆกุฏิของโยมมารดาหมอทำการรักษาอยู่ถึงสามปีโรคจึงหายขาดจากการที่ต้องอยู่พยาบาล โยมมานดาเป็นเวลานานทั้งโยมมานดาก็มีอายุมากแล้วการจะหอบหิ้วไปอยู่ด้วยกันในสถานที่ทุรกันดาลตามอัธยาศัยเดิมของท่านที่ชอบลีกเกรนอยู่แต่ผู้เดียวนั้นก็มีแต่จะสร้างความลำบากให้กับโยมมานดามากความคิดก่อตั้งวัดป่าบ้านจา จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองประจวบกับเวลานั้นเช้าบ้านตาาก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตุคุณของท่านมานานแล้วมีความประสงค์อยากให้ท่านตั้งวัดขึ้นเช่นกันจึงได้พร้อมใจกันถวายที่ดินวัดป่าบ้านตาาจึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,499 เป็นต้นมาเมื่อได้อยู่เป็นที่เป็นฐานทำให้พระเนนต่างหลั่งไหลมาอยู่กับท่านมากขึ้นในระยะแรกๆท่านจำกัดจำนวนไว้เพียงแค่ สิดองค์และคงจำนวนไว้เช่นนั้นอยู่หลายปีคือตั้งแต่2499มาจนกระทั่งถึง 2519-2520 อยาง้า่างไรก็ตามเมื่อครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญต่างล่วงลับไป พระเนนจำนวนมากไม่มีที่เกาะที่ยึดท่านก็ค่อยอนุโลมให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปี2541มีพระเนนในพรรษาทั้งสิ้น47องค<โดย>์เนื่องจากโยมมารดาของท่านนั้นไม่ได้ฝึกหัดอ่านเขียนหนังสือมา เพราะสมัยก่อนการศึกษายังไม่เจริญดังเช่นปัจจุบันนี้จึงต้องอาศัยลูกหลานช่วยอ่านหนังสือที่ท่านเป็นผู้เขียนขึ้นเช่นประวัติท่านอาจารย์มั่นให้ฟังทุกวันรวมทั้งท่านจะให้การอบรมธรรมแกโยมมารดาของท่านโดยสม่ำเสมอความซาบซึ้งในธรรม จึงมากยิ่งขึ้นทุกวันความเพียรก็เข้มแข็งจึงสามารถปฏิบัติภาวนาได้เป็นอย่างดีและก้าวหน้าไปโดยลำดับเต็มความสามารถของท่านโยมมันดาของท่านเคยเล่าว่าได้ฟังท่านแสดงธรรมครั้งใดไม่เคยพลาดเลยจิตจะรวมลงแน่วทุกครั้งไป